กุทธากนิกายหมวดที่สิบชาดกรวมเรื่องชาดกที่พระพุทธเจ้าตรัสเฉพาะที่เป็นคาถาเท่านั้นที่มีนิทานประกอบพระอัฏฐกะถาจาร์แต่งไว้เรียกว่าชาตกัดตะกถาชาดกแปลตามตัวอักษรว่าผู้เกิดหมายถึง เล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงเวียนไหวตายเกิดในชาติต่างๆในอดีตมากมายโดยแสดงถึงความพยายามในการทำคุณความดีมากบ้างน้อยบ้างตั้งแต่ต้นจนกระทั่งบําเพ็ญได้สมบูรณ์ในชาติสุดท้ายชาดกกล่าวกันว่ามีห้า้อยห้าสิบเรื่องนับจริงๆแล้วมีเพียงห้า้อสสามเรื่องจัดเป็นนิบาตตั้งแต่เอกนิบาต จนถึงมหานิบาต ท, ที่รู้จักกันดีในหมู่ชาพุทธก็คือมหานิบาตชาดกชาดกที่ชุมนุมเรื่องใหญ่หรือที่โบราณเรียกว่าทศชาติมีทั้งหมดสิบเรื่องด้วยกันคือหนึ่งเตมิยะชาดกเรื่องพระเตมิยะกุมารบำเพ็ญเนคข ม, มะบารมีหมายถึงการออกจากการรมสอง มหาชนกชาดกเรื่องมหาชนกบำเพ็ญวิริยะบารมี 3. ส, สุวรรณสามชาดกเรื่องสุวรรณสามบำเพ็ญเมตตาบารมี 4. เนมิราชชาดกเรื่องเนมิราชกุมารบำเพ็ญอธิฐานบารมี 5. มโหสถชาดกเรื่องมโหสดบำเพ็ญปัญญาบารมี หกูริทตตชาดกเรื่องภูริทตตนาคราชบำเพ็ญศีลบารมี7จันทกุมารชาดกเรื่องจันทกุมารบำเพ็ญขันติบารมี8นารทะทชาดกเรื่องพระพรมนาระทะบำเพ็ญอุเบกขาบารมี9ก้าวิทุรชาดก เรื่องวิทุระบัณฑิตบำเพนสัจจะบารมี 10. เวสสันดรชาดกเรื่องพระเวสสันดรบำเพนทานบารมีหมวดที่ 11. อนิเทศเป็นนิพนธ์ของพระสาริบุทเทระแบ่งเป็นสองคือหนึ่งมหานิเทศอธิบายความของพระสูตร16สูตร ในอัตตะวักสุตตนิบาตเริ่มตั้งแต่การมาสูตรถึงสารีปุตตะสูตรสจุลนิเทศอธิบายความของพระสูตรอีก16สูตรในปารายนาวักและคควิสานสูตรในอุราคาวักแห่งสุตตนิบาตหมวดที่ 12. ปฏิสัมพิทาวัก เป็นภาษิทธ์ของพระสาวรีบุตรเอระอธิบายข้อธรรมที่เลึกซึ้งต่างๆอย่างพิสดารวิธีอธิบายถ้ามีพุทธภาษิทธว่าด้วยเรื่องนั้นก็นำมาตั้งแล้วอธิบายความอีกต่อหนึ่งถ้าไม่มีพุทธภาสิทธ์อธิบายไว้โดยตรงท่านก็จะตั้งบทขึ้นเองและขยายอย่างละเอียดหมวดที่13อปทาน เป็นคัดหาพระพันธ์แสดงประวัติในอดีตของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกที่สำคัญเริ่มตั้งแต่พระสารีบุตรเทระรวมประวัติพระเทระทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบรูปต่อจากนั้นก็เล่าประวัติพระเทรีอรหันต์อีกสี่สิบรูปบางรูปประมาณสิบหรูปไม่ปรากฏในที่อื่นประวัติไม่เป็นที่รู้จักกันยกเว้นในที่นี้ หมวดที่สิพุทธวังศัก์เป็นคาถาประพันธ์แสดงเรื่องของพระพุทธเจ้าในอดีต24พระองค์ที่พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเคยได้เฝ้าและได้รับพยากรณรวมทั้งประวัติของพระองค์เองรวมเป็นพระพุทธเจ้ายีหพระองค์หมวดที่สิหจริยาปิดก แสดงพุทธจริยาในอดีตรวมสาิหเรื่องส้ำกับชาดกข้างต้นโดยแยกแสดงว่าเป็นการบำเพ็ญทานบารมีสิบเรื่องศีลบารมีสิบเรื่องเนคข ม, มะบารมีหกเรื่องเมตตาบารมีสองเรื่องอุเบกขาบารมีหนึ่งเรื่องรวมสิบห้าเรื่องตอนท้ายได้ประมวลไว้ว่าเรื่องไหนเป็นบารมี บารมีหรือการบำเพ็ญความดีขั้นต้นเรื่องไหนเป็นอุปมบารมีบารมีขั้นรองหรือจวนจะสูงสุดและเรื่องไหนเป็นเรื่องปารมัตาบารมีคือบารมีขั้นสูงสุด